ผู้ต้องการทรัพย์เนี่ยนะผู้ต้องการทรัพย์รับใช้เจ้านายอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ทรัพย์ฉันใดพระโพธิสัตว์พระองค์ก็รับใช้ใกล้ชิดต่อต่ออะไรต่อทานศีลเนคข ม, มะเป็นต้นเพื่อให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการพระสัพพัญยุตยานจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลพระองค์เองให้พ้นจากวะตะัตฏะขณะเดียวกันก็ช่วยเหลือสัตว์อื่นให้พ้นด้วย เพื่อแสดงถึงความกว้างขวางแห่งอัธยาศัยในการให้เอาไว้ในที่นี้ด้วยประการชนี้อันนี้เฉพาะว่าในจริยาปิดดกยกตัวอย่างเฉพาะว่าพระองค์เป็นนักให้แต่ถ้าในมหาชาติในชาดกนะเนมิราชาดกนับเนื่องในมหาชาตินะว่าเป็นชาติใหญ่ น, นพระองค์ก็ยังรักษาศีลด้วยนะพระองค์ก็รักษาศีลก็อย่างที่กล่าวว่า ปกติก็รักษาศีลห้าทุกๆ15วันก็รักษาอุโบสถศีลพระองค์ก็ได้ตบแต่งด้วยคุณมีศีลเป็นต้นตามที่กล่าวแล้วในหนนหลังให้มหาชนนี่ตั้งอยู่ในศีลพันบริษัทของพระองค์เนี่ยนะลูกบริวารของพระองค์ที่พาการรักษาศีลก็ไปบังเกิดในเทวดาเพราะปฏิบัติตามโอวาทของพระโพธิสัตว์ เทวดาที่เป็นลูกศิษย์ของพระโพธิสัตว์ที่ไปเกิดในเทวดาเนี่ยนะพากันประชุมกันณนเะทวสภาชื่อว่าสุธรรมมาพากันสรรเสริญคุณของพระมหาบุรุษสรรเสริญพระโพธิสัตว์ว่าน่าอาัศจรรย์เนอพวกเราได้รับสมบัตินี้เพราะอาศัยพระเจ้าเนมิราชของพวกเราอ น, นะเพราะเพราะพระเจ้าเนมิราชโอวาสสั่งสอนพวกเราแท้ๆเราจึงได้พากันปฏิบัติธรรมมาเกิดในเทวดา เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติมนุษย์อัศจรรย์เห็นป่านนี้ก็ยังทําพุทธกิจให้สําเร็จแก่มหาชนอุบัติเกิดขึ้นในโลกชมว่าโหเนี่นะขนาดยังไม่มีพระพุทธเจ้าคนอย่างนี้ยังทําเหมือนกับทํางานแทนพระพุทธเจ้าได้ไดนไะว่ามนุษย์เช่นนี้ก็ยังเกิดขึ้นในโลกเป็นมนุษย์ที่น่าอัศจรรย์เหมือนกันเทวดาก็พากันยกย่องว่าน่าอัศจรรย์หนอได้มีผู้ฉลาดเกิดขึ้นในโลก ได้เป็นพระราชาพระนามว่าเนมิราชเป็นบัณฑิตมีความต้องการด้วยกุศลเนี่ยนะเป็นพระราชาที่ต้องการบุญอย่างเดียวเป็นนักสแสวงบุญผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยนะนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ยิ่งใหญ่ขนาดว่าบุญเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าถวยเทพทั้งปวงมีเท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพเป็นต้นได้ฟังคำอย่างนั้นก็ประสงค์จะเห็นพระโพธิสัตว์โอ้อยากเห็นจังวันหนึ่งวันหนึ่งเมื่อพระโพธิสัตว์ มหาบุรุษรักษาอุโบสถประทับอยู่เบื้องบนปราสาสตร์อันประเสริฐนั่งขัดสมาธิในปัฉิมยามก็คือตื่นระหว่างตีสองตื่นเสร็จก็เกิดความปริวิตกขึ้นว่าไอ้ปริวิตกกับฟุ้งซ่านคนละอย่างกันนะบางคนเนี่ยตื่นมันเงินแต่ตื่นมาฟุ้งแต่เนี่ยตื่นมานึกถึงว่ า, hey, าเฮ้ทานประเสริฐหรือว่าพรหมจรรย์เนี่ประเสริฐทานประเสริฐหรือว่าพรหมจรรย์ประเสริฐกว่ากาัน พระโพธิสัตว์ไม่สา ม, มารถจะตัดสินความสงสัยของพระองค์เองได้ว่าเอ๊ะทานกับพรหมจรรย์ไหนดีกว่ากันนะในขณะนั้นพิภพอ่านะพับของเท้าสา ก, าก็แสดงอาการร่าร้อนบรรดุกัมพลศิลาอาจเคยนิ่มกลายเป็นแข็งกระด้างเท้าสากาก็รำพึงถึงเหตุนั้นครั้นเห็นพระโพธิสัตว์ทรงวิตกอยู่อย่างนั้นก็คิดว่าเอาเถิดเราจะตัดสินความปริวิตกความสงสัยของพระโพธิสัตว์ ก็เสด็จมาประทับอยู่ข้างหน้าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ถามว่าท่านเป็นใครพระองค์ก็บอกว่าพระองค์เนี่ยเป็นเทวราชพระราชาก็ถามว่ามหาราช พ, พระองค์ดำริถึงอะไรพระโพธิสัตว์ก็ตรัส บ, บอกความนั้นคือเทวดาเนี่ยนะก็ถามพระพเอ๋อท้าส ก, กะแสดงให้เห็นว่าพรหมจันทร์นั่นแหละประเสริฐที่สุดแล้วนะการพรหมจันยร์นี้แปลว่าการประพฤติประเสริฐเนี่ยนะ ท้าวส ก, ก่าก็บอกว่าบุคคลเกิดในตระกูลกษัตริย์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์อย่างต่ำบุคคลเกิดเป็นเทวดาก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ปานกลางบุคคลบริสุทธิ์ก็เพราะประพฤติพรหมจรรย์ที่สูงสุดว่า ง, งั้นอันนี้เรียกว่าแบ่งเป็นพรหมจรรย์3ามชั้นด้วยกันใช่ไหมพรหมจรรย์อย่างต่ำอย่างกลางและอย่างสูงสุด ก็อธิบายเป็นคาถาว่าการเป็นพรหมไม่ใช่จะเป็นกันได้ง่ายๆเพียงวิงวอนหรือขอแล้วก็จะได้เป็นแต่ว่าผู้ที่จะเป็นพรหมได้นั้นจะต้องไม่มีเย้าเรือนจะต้องบำเพ็ญตบะจะเมื่อมีการประพฤติตะบะจึงไปเกิดในพรหมโลกได้ <c oughs> อธิบายว่าถ้ารับที่นอกาศาสนานะการงดเว้นจากเมถุนเรียกว่าพรหมจันร์อย่างต่า พรหมจันท์อย่างต่ำนั่นแหละสามารถทำให้เกิดในตระกูลกษัตริย์ความประพฤติเพียงใกล้เคียงชานชื่อว่าพรหมจันทร์ปานกลางเจริญกุศลเกือบได้ชานเรียกว่าพรหมจันทร์ปานกลางพวกที่ประพฤติพรหมจันทร์ปานกลางย่อมเกิดเป็นเทวดาแต่การยังสมาบัติแปดให้เกิดชื่อว่าพรหมจันทร์ที่สูงสุดด้วยพรหมจันทร์สูงสุดใน พรหมจรรย์ที่สูงสุดสา ม, มารถทําให้เกิดในพรหมโลกเพราะฉะนั้นลัทธินอกศาสนาของเราเรียกพรหมโลกว่าเป็นนิพพานแดนแห่งพระนิพพานนะก็ลัทธิอื่นๆนี่ก็ถือว่าพรหมโลกเป็นนิพพานแต่ในพระพุทธศาสนาไม่ได้อธิบายแบบนี้นะส่วนนะั้ว่าถ้า น, นอกศาสนาเขาบอกว่าการงดเว้นจากเมถุนหรือศีลแปดนี่ก็เรียกว่าพรหมจรรย์ต่ำแล้วพรหมจรรย์ต่ำนี่แหละทาให้เกิดเป็นกษัตริย์ ถ้าปฏิบัติสมาธิได้อุปจาระสมาธิพวกนี้ก็เกิดเป็นเทวดาถ้าประพฤติได้ฌานปฐมฌานเป็นต้นไปก็ทําให้เกิดในพรหมโลกเพราะถือว่าพรหมโลกสูงสุดพระพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ปรารถนาะหมู่เทพอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าพรหมจันท ร, ร์ชั้นต่ําเพราะเจตนาในการประพฤติพรหมจันท ร, ร์เนี่ยต่ำด้วยพรหมจันท ร, ร์ต่ํานั้นย่อมเกิดในเทวโลกตามที่ตนปรารถนาะ โอ้ยถ้าหากว่าบวชมาเป็นพระพิสุตต้องการแค่เกิดเป็นเทวดาบอกโอ้ต่ำมากเหมืนกันมีน้านะมีพระรูปหนึ่งนะะท่านรู้ว่าเกิดเป็นเทวดาเสียใจมากเลยลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้มีศีลบริสุทธิ์ยังสมาบัติ8ให้เกิดเชื่อว่าพรหมจันทร์กลางด้วยพรหมจันทร์กลางนั้นทําให้เกิดในพรหมโลกส่วนผู้มีศีลบริสุทธิ์เจริญวิปัสสนาแล้วบรรลุพระอรหันต ชื่อว่าพรหมจรรย์สูงสุดย่อมบริสุทธิ์ด้วยพรหมจรรย์ที่สูงสุดนั้นนะเผู้ที่บรรลุปเป็นพระอรหันต์ชื่อว่าได้เข้าถึงพรหมจรรย์ที่สูงที่สุดแล้วเนี่ยท้าวสกะจึงพันธนาให้พระเจ้าเนมิราชฟังว่ามหาราชการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละ มีผลมากกว่าการให้ทานเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าเป็นแสนเท่าการให้ทานปานใดก็สู้การประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะบกปกติเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าจะให้ง่ายๆนะทําไมรู้ไหมมันจะให้เรื่องหนึ่งมันยุ่งจริงๆเลยนะการให้ทานเนี่ยมันยุ่งพอๆกับทําธุรกิจนั่นแหละ มันวุ่นวายพอๆกันกว่าจะให้หนึ่งเรื่องได้สาเร็จนะไม่ใช่ว่าให้ทานหยอดเหรียญไปนะให้ขอทานนะถ้าอย่างนั้นไม่ยากหรอกแต่หมายถึงว่าการให้ทานเป็นเรื่องเป็นราวให้ทานที่ประณีตให้ทานที่ยิ่งใหญ่นะเช่นอะไรนะพวกวิหารทานเป็นต้นเนี่ยนะหรือทานเป็นนิจทานหรือทานระดับสูงๆไปในวัตถุที่มากมายพวกนี้ให้ยากนะแต่ขนาดนั้นพรหมจรรย์ยังมีผลมากกว่าเพราะการให้ทานเนี่ยนะ มันไม่ได้ประกอบด้วยเจตนาที่เป็นบุญตลอดเวลาเดี๋ยววิตกเดี๋ยวกังวลเดี๋ยวฟุง้งซ่านเดี๋ยวรำคาญเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวลมเดี๋ยวเย็นเป็นต้นเนี่ยนะมันคละเคล้าเปลื้อนด้วยบาปอากุศลบ้างเป็นครั้งคราวถ้าเทียบกับศีลหรือถ้าเปรียบกับภาวนาศีลก็กุศลยังมากกว่านั้นแตอีกภาวนายิ่งประพฤติพรหมอเมตตาภาวนาเป็นต้นเนี่ยนะกุศ ล, ลจิตก็เกิดต่อเนื่องบุญมากบุญน้อยเข้าวัดกันที่ไหน วัดกันที่สภาพจิตังนั้นการให้ทานเนี่ยสภาพจิตที่เป็นไปกับบุญเนี่ยนะถือว่าน้อยมากถ้าเทียบกับการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนาดังนั้นการเจริญภาวนาเนี่ยนะหรือที่เรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยมีผลมากกว่าให้ทานเป็นร้อยเท่าพันเท่าหรือเป็นแสนเท่ากำไรต่างกันเยอะเนี่ยนะว่างันนะ ท้าสกกะก็เมื่อแสดงถึงการประพฤติพรหมจรรย์ว่ามีอนุภาพมากอย่างนี้เท้าสกกะก็ตรัสอย่างนี้แล้วก็ให้โอวาสแก่พระโพธิสัตว์ว่ามหาราชแม้พรหมจรรย์จะมีผลมากกว่าการให้ทานก็จริงถึงอย่างนั้นพระมหาบุรุษก็ควรทำทั้งสองอย่างมหาบุรุษบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เข้าไม่ใช่ว่าจะเลยเถิดเอาแต่อันใดอันหนึ่งหรอก จงเป็นผู้ไม่ประมาทในทานและพรหมจรรย์ทั้งสองคือพระองค์เนี่ยจงให้ทานจงรักษาศีลต่อไปเถอดพระราชาก็กลับไปสู่เทวโลกเพราะฉะนั้นถ้าเรารักษาอุโบสถอะนะรักษาศีลห้าเป็นปกติแล้วให้ทานวันอุโบสถก็รักษาศีลอุโบสถเป็นต้นอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐแล้วในบรรดาชีวิตทั้งหลายครั้งนั้นพวกทวยเทพก็ทูลถามท้าวส ก, กะว่า ข้าแต่จอมเทพพระองค์เสด็จไปไหนมานะไปอินหายไปพักหนึ่งก็ถามว่าไปไหนมาท้าวสก่าก็ตรัสตอบว่าเราไปตัดสินความสงสัยของพระเจ้าเนมิราชในกรุงมิธิลาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้นเจีงพันานาคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์โดยพิสดารท้นะาวสก่าเล่าคุณงามความดีของพระโพธิสัตว์ให้กับเทวดาฟังเทวดาได้ฟังอย่างนั้นก็ทูลถามว่าเออทูลว่าข้าแต่จอมเทพ พวกข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายประสงจะเห็นพระเจ้าเนมิราชนะท่านในชาดกท่านบอกว่าข้าพระเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะเห็นพระเจ้าเนมิราชผู้เป็นอาจารย์เหมือนกันพันขอพวกข้าพระพุทธเจ้าขอโอกาสขอพระองค์ตรัสเรียกพระเจ้าเนมิราชเข้ามาเฝ้าเถิดขอร้องให้เทวขอร้องพระอินทร์ใช่ขอร้องพระอินทร์ให้อัญเชิญพระเจ้าเนมิราชเข้ามา เท้าสักกะตรัดตอบตกลงแล้วก็ตรัดเรียกมาตาลีเท พ, พบุตรมารับสั่งว่าท่านจงไปกราบทูลเชิญพระเจ้าเนมิราชประทับเวชยันตปร ะ, ะเวชยันต์รถแล้วก็นํามานะเวชยันต์ประสาทไม่ใช่นะเวชยันต์รถมาตาลีเทพเทพผบุตรก็รับเทวบัญชาก็นํารถไปรับพบระโ พ, บพบธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็ซักไซไล่เลียงเนี่ยนะไปยังไงมายัางไงเป็นตน้นมาตาลีเทพผบุตรก็ทูลถึงฐานะ ซักไซไล่เลียงอ่ะนะตอนที่ระหว่างทางระหว่างทางที่พระโพธิสัตว์เนี่ยขึ้นขึ้นเวชยันตรถมาแล้วก็มาตลีเทพสารถีเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเป็นทูตพิเศษทูตพิเศษว่าพราะองค์จะจะไปทางไหนก่อนจะไปดูนรกก่อนหรือว่าจะไปสวรรค์เลยว่า ง, งั้นพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าโอ้ยสวรรค์ไรเงยเขาก็มาเชิญเชิญไปสวรรค์อยู่แล้วใช่ไหมเอ๊ะแวะดูนรกสัหน่อยดีกว่านี่นะ มาตาลีเทพสารธีก็เลยพาแวะไปดูเ น, นโรกเหมือนกันลุงเรื่องไปอ่านดูที่มันเข้าข้อไหนบ้างแต่ว่าตรงนี้ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังโรคไหนนี่ก็เลย ถ, ถามถึงฐานะผู้มีบาปกรรมกับผู้มีบุญกรรม เ, เรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดหลังสมัยพระพุทธเจ้าพระนามวัคษปะนะคือคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้นะระหว่างข้างหลังพระพุทธเจ้าองค์นี้ แสดงว่าพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งถึงองค์หนึ่งเนี่ยนะมันหลายพันล้านปีจริงๆมันนานไม่รู้จะนานยังไงพันล้านปีเนี่ยถือว่าน้อยเนี่เพราะว่ามันแค่เรียกว่ามนุษย์เนี่ยจะจะเป็นอย่างไงนะว่าจากอายุสิปีเนี่ยนะลงไปเอ่ยอย่างของเราช่วงช่วงนี้ก็ถือว่าเจ็ดสิห้าปีเฉลี่ยนะเจ็ห้าปีมันลดลดลล ด, ล ด, ล ด, ลดไปเรื่อยจนถึงสิปีตายแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกจนอายุเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นอายุมาก แล้วก็ลดลงมาอีกเนี่ยกว่าพระพุทธเจ้าจะมาต ร, สรัสโรยิ้วอีกนานทีนี้พันเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วกับองค์ของเราเนี่ยนะในในชาดกเรื่องนี้เพราะว่าไปเจอเทวดาผู้เป็นบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นต้นจากศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่ากสปะแล้วก็ไปถึงเทวโลกโดยลําดับนะไปดูพวกที่ทําความชั่วในนรกแล้วก็ ไปสวรรค์ทวยเทพทั้งหลายได้สดับว่าพระเจ้าเนมิราชเสด็จมาแล้วถือเอาของหอมดอกไม้อันเป็นทิพย์ต้อนรับตั้งแต่ซุ้มประตูจิตตกูดบูชาพระโพธิสัตว์ด้วยของหอมอันเป็นทิพย์เป็นต้นแล้วก็นําไปสู่เทวสาภาพระราชาก็เสด็จลงจากรถแล้วเข้าไปยังเทวะประสาภาป ร, ประทับนั่งร่วมอาสนะกับเทา้าสกะเทา้าสกะก็ต้อนรับด้วยกามคุณอันเป็นทิพย์เทา้าสกะนี่เขามีลีลานิดหน่อยตรงนี้เขาบอกว่า อัานนะขอให้พระองค์นิ่มนมาเถอะพระองค์นี่จะอยู่ด้วยบุญของเทวดาอัานนะก็เรียกว่าพูดแบบว่าพระองค์นี่เข้ามาอาศัยเขาอยู่หรอกเนี่ยแต่ว่าเป็นการเชื้อเชิญเน่ยนะเชื้อเชิญตามมรญญาตแล้วก็เชิญแบบมีเล่เหลียลหล่ยมงองกันเชื้อเล่เหลี่ยมบอกว่าพระองค์ถ้าพระองค์มาอยู่เป็นเทวดาพระองค์ไม่ได้มาด้วยบุญพระองค์นะพระองค์อยู่ด้วยบุญของเชนแด้วยบุญของขา้าพเจ้าเป็นต้นนะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดมารณะจะได้ไม่ต้องอยู่ว่างั้นแต่ว่าพระโพธิสัตว์พระองค์ก็ปฏิเเสธว่าจอมทพ พระองคอ์ยาต้อนรับด้วยกามที่อุปมาด้วยของของขอยืมผู้อื่นเหล่านี้แก่ข้าพระองค์ น, นะพ่อยอย่าเชื่อเชิญสิ่งเหล่านี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับของขอยืมนั่นแหละ น, นะเสร็จแล้วก็ต้องคืนเจ้าของเข้าไปพระองค์ก็แสดงธรรมโดยอเนกปริยายประทับนั่งอยู่7วันวันของมนุษย์นะก็ไม่กี่นาทีของเทวดาแล้วก็ทูลอัมลาว่าข้าพเจ้าจะกลับนิสสโลก อย่าคิดนะความสุขนี่มันแนปะ๊บเดียวเองจริงๆนะสิบชั่วโมงหรือหรือสปีก็ตามนะชีวิตแห่งความสุขเป็นชีวิตที่รวดเร็วมากชีวิตแห่งความทุกข์นะโอ้ยชั่วโมงเดียวอะไรมันจะนานขนาดนั้นเคยไปนั่งรออะไรสักอย่างหนึ่งไหมโอยสินาทีผ่านไปนะนาฬิกามันติ๊ก ต, กตกมันช้าจังเลยนะสมัยนเขาบอกว่าชีวิตแห่งความทุกข์เนี่ยเนิ่นช้า ม, มากแต่ชีวิตแห่งความสุขแว บ, บเดียวเหมืนกันพระโพธิสัตว์ก็ทูลลา เทวดาว่าข้าพเจ้าจะกลับมนุสโลกข้าพเจ้าจะทําบุญมีทานเป็นต้นณมนุสโลกคือผู้ที่เห็นผลแห่งบุญอย่างพระเจ้าเนมิราชยังไงนะกลับไปจะไปทําบุญให้มันหนักกว่าเก่าอีกท mm hmm. ้าวสกา ก, ก็มีเทวบัญชากะมาตลีเทพประบุตรว่าท่านจงนําพระเจ้าเนมิราชกลับไปยังกรุงมิถิลาเถิดมาตลีเทพประบุทูลเชิญพระโพธิสัตว์ให้ส่งขึ้นสู่เวช ย, ยันตรถแล้วพาไปสู่พาไปส่งถึงกรุง มิธิลาทางทิศประจินมหาชนเห็นทิพยรดก็ได้ทําการต้อนรับพระราชามาตรีเทพบุตรทูลเชิญพระมหาสัตว์ให้ลงข้างสีหบัญชรเรียกว่าส่งทางหน้าต่างนะส่งผิดทีธธ่หรือเปล่าบอกส่งทางหน้าต่างนะแล้วก็ทูลลากลับไปยังเทวโลกมหาชนก็พากันห้อมล้อมพระราชาทูลถามว่าข้าแต่พระองค์เทวโลกเป็นอย่างไรบ้างพระเจ้าข่าเนี่ยนะ พระาชาก็ทรงพระนาถึงสมบัติในเทวโลกแสดงธรรมว่าแม้พวกท่านก็จงทาบุญมีการให้ทานเป็นต้นอย่าประมาทเลยนะไปเห็นมาแล้ว่งั้นนี่เราก็มาเห็นมาแล้วว่ า, าอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมเอ้าอยู่ในตอนนี้อยู่ในเมืองเทวดาไม่ใช่เลยตอนนี้ก็กรุงเทพกรุงเทพแปลว่าเมืองเทวดา ต่อมาพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระเกสางอกตามนัยยะที่กล่าวแล้วก็ให้บ้านเออให้แสนหนึ่งแก่คนที่บอกว่าผมงอกแล้วเนี่ยนะมอบราชสมบัติแก่พระราชโอรสสละกามเจริญพรหมวิหารแล้วก็เสด็จไปสู่พรหมโลกเท้าสกัดในครั้งนั้นก็คือพระอนุรุทธะมาตลีเทพระบุตรก็คือพระอนนท์พระราชา 84,000 พันก็คือพุทธบริษัทพระเจ้าเนมิราชก็คือพระโลกกนาต ในเนมิราชจริยานี้ก็พึงเจาะจงกล่าวถึงโพธิสมภารของพระเจ้าเนมิราชนั้นตามนัยยะที่กล่าวแล้วในหนหลังคุณอนุภาพคุณานุภาพของพระเจ้าเนมิราชนี่มีอย่างนี้ว่าการละสมบัติในพรหมโลกแล้วมาบังเกิดในมนุษสโลกด้วยมหากรุณาว่าเราจักติดตามกัลยาณวัตรที่เราได้ประพฤติมาแล้วในการก่อนไม่ธรรมดานะตอนที่ท่านจุติจากพรหมโลกไม่ใช่ท่านหมดอายุแล้วนะ เพราะว่าพรมเนี่ยนะอย่างเนาะแอบพรมธรรมดาเนี่ยก็คือหนึ่งในสของกับนะพรมปบริสัชฌาหนึ่งในสของกัปถ้าหากว่าพรมอปโรหิตาก็ครึ่งกับมหาพรมก็มีอายุหนึ่งมหากัปแล้วถ้าพรมสูงสูงก็มีอายุสูงไปกว่านั้นอีกท่านเนี่ยอธิษฐานจุตินะเรียกว่าพรมธรรมอาิมุตตะกิริยาตายจากพรมโลกสละความสุขในพรมโลกมามาเจริญกุศลต่อในหมู่มนุษย์อันนี้ก็ถือว่าเป็นคุนานุภาพ ที่ไม่ใช่ว่าคนทั่วๆไปจะทำได้ขณะเดียวกันพระองค์ก็มีอัธยาศัยในทานอย่างกว้างขวา ง, วางตั้งโรงทานให้ทานเหมือนกับกระแสน้ำขณะเดียวกันก็ยังมีการปฏิบัติในทานเป็นต้นตามสมควรแก่อัธยาศัยเนื่องจากว่าอัธยาศัยยิ่งใหญ่มากในการให้ทานการให้ทานของพระโพ ธ, ธิสัตว์ไม่จากัดบางคนเนี่ยให้ทานจากัดบุญตัวเองใช่มอชาตินี้ทาบุญครั้งเดียวพอแล้ว บางคนก็บอกสองครั้งสามครั้งเห็นไหมบางคนก็บอกปิดทองมาแล้ว7็ดโบสถ์เขาบอกงั้นอะไรนะฝาปิดทองฟังลูกนิมิตมาแล้วเจ็ดที่ก็ามายังนึกไม่ออกว่าปิดทองเนี่ยในลูกนิมิตนี่มันได้บุญตรงไหนยังนึกไม่ออกจริงๆเลยนะเรียนไม่ถึงแล้วก็ปิดมาแล้วตั้ง7็ดวัดยังไงนะก็ได้บุญมากนะนึกไม่ออกเลยเรียนไม่ถึงใครรู้ก็ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยเธอสงเคราะห์พระหน่อยจะได้ไปเทศให้คนอื่นฟังถูกว่างั้น ในก็เหมือนกันบางคนนี่จํากัดเจตนาตัวเองจริงๆจํากัดเจตนาบุญของตัวเองบางคนก็จํากัดวัตถุอู้ชาตินี้ให้ร้อยเดียวพอแล้วอย่างเงี้ยนะบางคนนี่จํากัดไว้เลยโอ้ยให้ข้าวก็พอแล้วให้น้ําก็พอแล้วเขาเรียกว่าจํากัดวัตถุบางพวกก็จํากัดคนรับมาโอ้ยให้แขกบุคคลกลุ่มนี้พอแล้วเหมือนกัน แต่ว่าผู้ที่มีอัธยาศัยกว้างขวางไม่จำกัดในบุญที่เกิดขึ้นไม่จำกัดในของที่จะให้และไม่จำกัดผู้รับแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นนาบุญอะไรไม่ใช่แต่เรียกว่านาบุญอะไรทำแล้วมีผลมากมีผลน้อยก็แยกเป็นพระองค์นี้ให้มหาชนตั้งอยู่ในการปฏิบัติมีการให้ทานรักษาศีลเป็นต้นเนื่องจากพระองค์เนี่ยโอวาทแนะนาสั่งสอนประชุมชนคนเหล่านั้นไปเกิดใน สวรรค์พันพระองค์เนี่ยเป็นที่ยกย่องของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชื่อเสียงของพระองค์เนี่ยแผ่ไปในเทวดาและมนุษย์สิ่งที่น่าอาัศาจรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือเทวดาเข้ามาหาพระองค์พระองค์ก็สนทนากับเทวดาขณะเดียวกันเทวดาก็ยังเชื้อเชิญให้ไปในเทวโลกเท้าสา ก, ก่าก็ต้อนรับด้วยที่ผสมบัติขนาดนั้นจริงๆถ้าท่านประสงค์จะอยู่ท่านอยู่ได้นะถ้าท่านประสงค์จะอยู่ในที่ผสมบัติต้องการจะเป็นมนุษย์ ที่มีใช้ชีวิตแบบเทวดาเนี่ยท่านทําได้แต่ท่านก็ไม่ไม่พอใจสละสมบัติอันเป็นทิพย์นั้นแล้วกลับมายังมนุสโลกเพิ่มพูนบุญกุศลขณะเดียวกันในที่สุดท่านก็ไม่ติดอยู่ในสมบัติมีลาบสมบัติเป็นต้นแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็บําเพ็ญเนี่ยขมมะเป็นต้นจนได้เป็นอันนะได้เป็นอะไรเป็นในที่สุดก็กลับไปสู่พรหมโลกอีกตามเดิมนี่นะ ไอสู่พรหมโลกแล้วก็ประพืชก็อธิษฐานจากพรหมโลกจูติปฏิสนธิอย่างเงี้ยเรื่อยทําบุญไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเขาเรียกว่าอะไรนะจีรกาลภาวนา ส, สัสมภาระกาลภาวนาแล้วก็นิรันตระสั ก, กจะนี่นะคือเรียกว่าทําด้วยความเนื่องนานทําด้วยความกรพทําอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะนั่นแหละเป็นอัธยาศัยของพระองค์ที่บําเพ็ญคุณงามความดีจนได้เป็นพระพุทธเจ้าในะช่วงบ่ายนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะท่าน